มงคลทีปนีแปลยกศับข้อที่หนึ่งมังคลัสถทีปะนิยาปะตโมพาโคอันว่าภาคที่หนึ่งแห่งอัตถกถาเป็นเครื่องแสดงซึ่งเนื้อความแห่งมงคลมยาอันข้าพเจ้าวุจเ ต, เตจะกล่าวพนามัคถาอันว่าคถาแสดงซึ่งความนอบน้อมว่าข้อที่หนึ่ง พุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าโยพระองค์ใดวิสุโตผู้ทรงปรากฏแล้วว่ามังคลัตถีนังเทวมนุษยานังมังคลังเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการด้วยมงคลอิติดังนี้มังคลัตฐานังเทสโกเป็นผู้ทรงแสดง ซึ่งอัตตะแห่งมงคลทั้งหลายโหติย่อมเป็นอาหางอันว่าข้าพเจ้าณนะมามิขอนอบน้อมตังพุทธังซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมังคลังผู้เป็นมงคลธรรมโมอันว่าพระธรรมโยใดวิสุสโตอันปรากฏแล้วว่ามังคลัตถีนัง เทวมนุษสานังมังคลังเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการด้วยมงคลอิติหนังนี้มังคลัฐานังโชตะโกเป็นสภาพ่องซึ่งอัตถะแห่งมงคลทั้งหลายโหติย่อมเป็นอาหางเงินว่กข้าพเจ้าณนะมามิขอนอบน้อมตัง ทามังซึ่งพระธรรมนั้นมังคลังอันเป็นมงคลสังโฆอันว่าพระสงฆ์โยใดวิสุโตผู้ปรากฏแล้วว่ามังคะลตีนังเทวะมนุษสานังมังคลังเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความต้องการด้วยมงคลอิติดังนี้ มังคะลัฐานังการโกเป็นผู้กระทำรรซึ่งอัตถะแห่งมงคลทั้งหลายโหติย่อมเป็นอาหารันว่าข้าพเจ้าณนะมามิย่อมนอบน้อมตังสังขังซึ่งพระสงฆ์นั้นมังคลังผู้เป็นมงคลนานโมอันว่าความนอบน้อมเมสุกะโก เป็นอาการอันข้าพระเจ้ากระตำดีแล้วติระตะนานังแต่รัตนสามทั้งหลายมังคลาณังอันเป็นมงคลอาหุได้เป็นแล้วเอว่างอย่างนี้ยิติด้วยประการชนีตาภาหาสาด้วยอนุภาพแห่งการนอบน้อมซึ่งพระรัตนไตรนั้นอหางอันว่าข้าพระเจ้า อันตรายะวินาสโกเป็นผู้ยังอันตรายให้พินาศอุตวาเป็นประโยครวบมังคละทีปะกังยังตังสุดตังมังคะเลนะสุเทสิตังมังคละลสุตตะนาเมนะวิสุตังอติอาณกังโหติจะอธิบายประโยครวบสุดตังอันว่าพระสูตร ยังตังนั้นใด์มังคะเลนะอันแสดงซึ่งมงคลมังคะลธีปกังอันอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นมงคลสุเทสีตังทรงแสดงดีแล้ววิสุตังอันปรากฏแล้วมังคะลสุตตะนาเมนะโดยชื่อว่ามงคลสูตรอาติอาณกังเป็นพระสูตรมีอานยายิ่งโหติจะ ย่อมเป็นด้วยจบประโยครวบประโยครวบที่สองอิทะโลเกปาณีนังมังคลัดถังเกนจิกะติตัสสะยสะัสสะสุตตัสสะอาณาโกติลเขสุจักวาเลสุปัฏฐตาจะอธิบายประโยครวมอานาอันมาอาจายายัสสะ สุดตะสะแห่งพระสูตรใดเกณจิอันอันใครใครกาตัตะสะกล่าวแล้วบังขลังถังเพื่อเป็นมงคลปานีนังแกสัตว์ผู้มีปราณทั้งหลายอิทะโลเกในโลกนี้ปัตตท า, ทาแผ่ไปแล้วจักวาเลสุในจักรบาลทั้งหลายโกธิลเคสุ อันมีแสนโกรธเป็นประมาณด้วยจบประโยครวบที่สองวิโลเกตวาเลือกสรรแล้วอาทิยะถือเอาแล้วสาระถังซึ่งเนื้อความอันเป็นสาระนาน า, นาคันเทสุในคำพีต่างๆทั้ ง, ง, งหลายต่างนั้นที่ปะยิสามิจะแสดงอัถังซึ่งเนื้อความตสะสุตัาสะส แห่งพระสูตรนั้นตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายสมาหิตาผู้มีจิตร่งพร้อมแล้วสุนาธะจงฟังตังมังคละสุดตัดถังซึ่งเนื้อความแห่งมงคลสูตรนั้นอิติอย่างนี้จบคถามงคลทีปณีภาคที่หนึ่งปลายยกศัพ์ข้อที่สอง อุปติคาถาอุปติคาถาอันว่าวาจะเป็นเครื่องกล่าวซึ่งเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นมยาอันข้าพเจ้าวุจเตจะกล่าวข้อที่สองิความพิสดารว่าอัทโถอันว่าเนื้อความอาจาริเยนะอันพระอาจารย์สังวัตณยันเตนะผู้มีสังวรนนา สุดตัดถังซึ่งอัถฐแห่งพระสูตรวัตวากล่าวแล้วสุตตุปติงจะซึ่งเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นแห่งพระสูตรด้วยสุดตดสะ ว, ะวะวัฒฐานังจะซึ่งการกาหนดซึ่งพระสูตรด้วยปัทมังก่อนสังวันนิยะเตย่อมสังวรนนาปาัจาในภายหลัง ตาสมารประเหตุนั้นสุดตุปปญญาทิอุปติอันว่าเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นมีเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นแห่งพระสูตรเป็นต้นมยาอันข้าพเจ้าวิจเตจะกล่าวฮิจึงอยู่อุปติอันว่าเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นสัพพะสุตตานังแห่งพระสูตรทั้งปวงทั้งหลาย จตุภิธาอันมีอย่างสี่อิติคืออัตชาสยาอุปติจะอันว่าเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นพระอัตยาใสาของตนด้วยพระรัชาสยาอุปติจะอันว่าเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นพระอัตยาใสาของบุคคลอื่นด้วยอัตุปติกาอุปติ อันว่าเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นเพราะความเกิดขึ้นแห่งเนื้อความด้วยปุจชาวสิกาอุปติจะอันว่าเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นเพราะอาศัยอำนาจแห่งคำถามด้วยโหติย่อมีเปรียกรวบตัทธะจะตุพิทาสุอุปติงสุตวยะตานุปัสนาทีนังสุตานัง อัตตาสยะโตอุปติอธิบายประโยครวมอุปติงสุอันว่าในเหตุเป็นเรื่องเกิดขึ้นจะตุพิทาสุอันมีอย่างสีเหล่านั้นหนาอุปติงเหตุเป็นเรื่องเกิดขึ้นอัตตาสยะโตพระอัตยาัยของตนสุตานัง แห่งพระสูตรทั้งหลายทวยยตานุปั ส, สนาทีนงังมีทวยตานุปั ส, สนาสูตรเป็นต้นโหติยมม่มีอุปฏิอันว่าเหตุเป็นเรื่องเกิดขึ้นปรารชาสยโตพระอัธยาสัยของบุคคลอื่นเมตสุตตาทีนงังสุตตานางังแห่งพระสูตรทั้งหลายมีเมตสูตรเป็นต้นโหติย่ ม, มี อุปติอันว่าเหตุเป็นเรื่องเกิดขึ้นอัตถุ ป, ปติโตเพราะความเกิดขึ้นแห่งเนื้อความอุรคขะสุตตาทีนังสุตตานังแห่งพระสุตรทั้งหลายมีอุรคขะสูตรเป็นต้นโอติย่อมมีอุปติอันว่าเหตุเป็นเรื่องเกิดขึ้นปุจฉาวะสะโตพระอำนาจแห่งคำถาม วัมมิกะสุตาทีนังสุตานังแห่งพระสุทธท้ะหลายมีวามมิกะสุเป็นต้นโหติย่อมมีประโยครวบตาสุจะตุพิทาสุอุปตีสุหุจฉาวะสิกุปตปิอธิบายประโยครวบอุปัตีสุอันว่าในเหตุเป็นเครื่องเกิดขึ้นทั้งหลาย สตุพิธาสุอันมีอย่างสี่เหล่านั้นหนาปุจชาววิกุปติเหตุเป็นเรื่องเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งคำถามจบประโยครวบปันทิเตนะอันบันดิตอธิปเปตาประสงคเอาแล้วอิทะมังคลัดสุดเตในมงคลสูตรนี้หิ จริงอยู่มังคลั ส, สุดตังปิแม้อันว่ามงคลสสตรปุชาวาสโตอุปชติเอวะย่อมเกิดขึ้นพระอำนาจแห่งคำทูลถามนั่นเดียวข้อที่สามอนุบุพีกถาอันว่าว่าจะเป็นเครื่องกล่าวโดยลำดับตัตระปเพในข้อนั้นอยังนี้ กีระได้ยินว่ามหาชนาอันว่ามหาชนทั้งหลายชมพุทีเปในชมพูทวีปสันนิปติตวาประชุมกันแล้วตันทะตันทะถาเนสุในที่ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นณครทวารสันถาคารสพาทีสุมีประตูแห่งพระนครและท้องพระโรงและที่ประชุมเป็นต้น หิรัญญะสุวรรณังภัตวาปิแม้ให้แล้วซึ่งเงินและทองอัญญะมัญยังยังกันและกันคะถาเป็นติย่อมให้กล่าวกระถังซึ่งวาจาเป็นเครื่องกล่าวพาหิระกานังชนานังของชนทั้งหลายผู้มีในภายนอกนานบปะการังอันมีประการต่างๆ สีตาหะระนาที่กังมีการนำมาซึ่งนางสีดาเป็นต้นกถาอันว่าวาจาเป็นข้เรื่องกล่าวเอเกกาหนึ่งหนึ่งนันถาติย่อมจบจาตุ ม, มาสัจจะเยนะโดยอันล่วงไปแห่งเดือนสี่เอกทิวสังไม่วันหนึ่งมังคละคถา อันว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งมงคลอุทาปาทิได้เกิดขึ้นแล้วตัดธสภายังในที่ประชุมนั้นว่าเปิดเลกไหนกิงนุโขออันว่าอะไรหนอแลมังคลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นทิถังรูปังอันว่ารูปอันอันบุคคลเห็นแล้วกิงหรือ มังคลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นสุตังสัตธชาตังอันว่าเสียงอันอันบุคคลฟังแล้วกิ่งหรือมังคลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นมุตังอารมณังอันว่าอารมณ์อันอันบุคคลรู้แล้วกิ่งหรือ มังคลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นโกอันว่าใครชาณาติย่อมรู้มังคลังซึ่งมงคลอิติดังนี้ทิฏฐมงคลอันทะาครั้งนั้นปุริโสอันว่าบุคคลเอโกคนหนึ่งทิฐะมังคลาลิโกนามะ ชื่อว่าทิฏฐะมังคะลิกะอาหะกล่าวแล้วว่าเปิดเลขไหนอาหังอันว่าข้าพเจ้าชานามิย่อมรู้มังคลังซึ่งมงคลทิฏฐถังรูปังอันว่ารูปอันนั้นบุคคลเห็นแล้วมังคลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นโลเกในโลก รูปังอันว่ารูปอภิมังคละสัมมาตังอันอันบุคคลรู้พร้อมแล้วว่าเป็นมงคลอันยิ่งที่ถังนามะชื่อว่ารูปอันบุคคลเห็นแล้วรูปังอันว่ารูปอะพิมังคละสัมมาตังอันอันบุคคลรู้พร้อมแล้วว่าเป็นมงคลยิ่งที่ถังนามะชื่อว่ารูปอันบุคคลเห็นแล้วเสยยะทีถัง อย่างไรนี้เอโกโจบุคโลอันว่าบุคคลบางคนอีทะโลเกในโลกนี้อุทายะรู้ขึ้นแล้วการละสะเอวะต่อการนั่นเทียววาสติย่อมเห็นวาตัสกุณังวาซึ่งน้องแอนลมบ้างเวรุวะลดถิงวาซึ่งมะตูมอ่อนบ้าง คับพินิงอิถิงว่าซึ่งหญิงผู้มีขันบ้างกูมาระเยลังกะตับปาติยะเตว่าซึ่งเด็กน้อยทั้งหลายผู้อันบุคคลทั้งประดับแล้วทั้งตกแต่งแล้วบ้างปุณณะตังวาซึ่งม้ อ, อน้ำอันเต็มแล้วบ้างอันละโรหิตะมัดฉังวาซึ่งบาตรเพียนสดบ้าง อาชัญยังว่าซึ่งม้าอาชาไหนบ้างอาชัญยะระถังว่าซึ่งรถอันเทียมแล้วด้วยม้าอาชาไหนบ้างอุสพังว่าซึ่งโคอุสภาบ้างคาวิงว่าซึ่งแม่โคบ้างกะปิลังว่าซึ่งโคแดงบ้างว่าปณะนะก็หรือว่าปะสติย่อมเห็น รูปังซึ่งรูปเอวะรูปังอันมีอย่างนี้เป็นรูปยางกินจิยางใดอย่างหนึ่งอันอยางปิแม้อื่นอภิมังคละสำ ม, มตังอันอันบุคคลรู้พร้อมแล้วว่าเป็นมงคลยิ่งอิทะรูปังอันว่ารูปนี้ชนเน่นะอันชนวจิย่อมเรียกทิฏฐะมังคลัง ว่าเป็นรูปอันบุคคลเห็นแล้วเป็นมงคลอิติดานี้หัวข้อสุตตามงคลบุริโสอันว่าบุคคลเอโกคนหนึ่งสุตตมังคลิโกนามะชื่อว่าสุตะามังคลิกะสุตว่าฟังแล้วดังวัจจานังซึ่งคํานั้นอาฮะกล่าวแล้วว่าเป็นเลขไหนโพ ในท่านผู้เจริญเอตังจักขุนามะชื่ออันว่าจักสุนั่นต์ปสติย่อมเป็นรูปังซึ่งรูปสุจริงปิอันสาดบ้างอสุจริงปิอันไม่สะอาดบ้างสุนทรังปิอันดีบ้างอสุนทรังปิอันไม่ดีบ้างมะนาปังปีอันเป็นที่ยังใจให้เอบอ่าบ้าง มะ น, นาปังปิอันไม่เป็นที่ยังใจให้เอิบอาบ้างยะทิปิว่าเตนะจักกุนาที่ถังรูปังอันว่ารูปอันอันจากสุนั้นเห็นแล้วมังกําลังพึงเป็นมงคลสิยาพึงเป็นใจเตนะจักกุนาที่ถังรูปังอันว่ารูป อั น, นันจักรูนั้นเห็นแล้วสับพังปีแม้ทั้งปวงมังขลังพึ่งเป็นมงคลสียาพึ่งเป็นแต่สมารเรศนั้นที่ถังรูปังอันว่ารูปอันนันบุคคลเห็นแล้วมังขลังเป็นมงคลโอติย่อมเป็นนะหาไม่ได้อาปีจะโขปะนะก็อีกอย่างหนึ่งแล สุตังสัธทธชาตังอันว่าเสียงอันนันบุคคลฟังแล้วมังขลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นสัตโทอันว่าเสียงอภิมังคละสัมมาโตอันนันบุคคลรู้พราอมแล้วว่าเป็นมงคลยิง่งสุตังนามะชื่อว่าเสียงอันบุคคลฟังแล้วสัตโทอันว่าเสียงอภิมังคะะสัมมาโต อ น, นันตบุคคลรู้พร้อมแล้วว่าเป็นมงคลยิ่งสุตังนามะชื่อว่าเสียงอันบุคคลฟังแล้วสศ ย, ยะทีถังอย่างไรนี้เอกโจบุคโลอันว่าบุคคลบางคนอีทะโลเกในโลกนี้อุทธายะรู้ขึ้นแล้วการละสะเอวะต่อการนั่นเทียวสุนาติย่อมฟังวัดถา อิติว่าว่าจเจริญแล้วดังนี้บ้างวตตมานาอิติว่าว่าจเจริญอยู่ดังนี้บ้างบุญนาอิติ is, ว่าว่าเต็มแล้วดังนี้บ้างปุษาอิติว่าว่าขาวดังนี้บ้างสุมนาอิติว่าผู้มีใจดีดังนี้บ้าง สิริอิติวาว่าอันว่าสิริดังนี้บ้างสิริมัตตาอิติวาว่าสิริเจริญแล้วดังนี้บ้างอาชะสุนกขัดตังสุมุหุตังสุทิวสสังสุมังขังโหติอิติวาว่าอันว่าวันนี้เป็นฤกษ์ดีเป็นยามดีเป็นวันดีเป็นมงคลดี ย่อมเป็นดังนี้บ้างว่าหรือว่าสุนาติย่อมฟังสัตทังซึ่งเสียงเอวะรูปังอันมีอย่างนี้เป็นรูปอย่างกินจิอย่างใดอย่างหนึ่งอภิบังคละสัมมาตังอ น, นันตบุคคลรู้พร้อมแล้วว่าเป็นมงกุลยิ่งอีดังสัตถชาตังอันว่าเสียงนี้เฉเนนะอันชนวัจติ ย่อมเรียกสุตะมังคลังว่าเป็นเสียงอันบุคคลฟังแล้วเป็นมงคลอิติหนังนี้หัว ข, ข้อมุตตมงคลบุริโสอันมาบุคคลเอโกคนหนึ่งมุตตะมังคลิโกนามะชื่อว่ามุตตะมังคลิกะสุตวาฟังแล้วตังวัจนังซึ่งคํานั้นอาหากล่าแล้วว่า เ, เลขในโพในท่านผู้เจริญเอตังโสตังนามะชื่ออันม้าโสตะนั่นสุนาติย่อมฟังสัตถังซึ่งเสียงสาทุงปิอันดีบ้างอสาทุงปิอันไม่ดีบ้างมนาบังปิอันเป็นที่ยังใจให้เอเบาบ้างอะมะน า, าปังปิอันไม่เป็นที่ยังใจให้เอเอบาบ้าง ยติปีว่าเตนะโสเตนะสุตังสัทธชาตังอันว่าเสียงอันโสตะนั่นฟังแล้วมังคลังพึงเป็นมงคลสิยาพึงเป็นไซเตนะโสเตนะสุตังสัทธชาตังอันว่าเสียงอันอันโสตะนั้นฟังแล้วสัพพังปีแม้ทั้งปวงมังคลัง พึ่งเป็นมงคลสิยาเพิ่งเป็นแต่สมัยพระเหตุ น, นั้นสู้ตังสัตถาชาตังอันว่าเสียงอันนั้นบุคคลฟังแล้วมังคลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นนะหาไม่ได้อาปิจัคโขปะนะก็อีกอย่างหนึ่งและมุตังอารามะนังอันว่าอารมณ์อั น, นั้นบุคคลรู้แล้ว มังคลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นคันทะระโธทะพังอันว่ากลิ่นและรสและโหตภะะอะภิมังคละสัมมะตังอ น, นั้นบุคคลรู้พร้อมแล้วว่าเป็นมงคลยิ่งหมู่ตังนามะชื่อว่าอารมณ์อันบุคคลรู้แล้วคันทะระสะโธทะพังอันว่ากลิ่นและรสและโหตพะ อภิมังคะสัมมะตังอันนั้นบุคคลรู้พร้อมแล้วว่าเป็นมงคลยิ่งมุตังนามะชื่อว่าอารมณ์อันบุคคลรู้แล้วเสยยะถีตังอย่างไรนี้เอกจโจบุคโลอันว่าบุคคลบางคนอีทะโลเกในโลกนี้อุทายะรู้ขึ้นแล้วการลสะเอวะ ต่อการนั่นเดียวปทุมะคันธาทิปุพะคันธังคายติวาย่อมดมซึ่งกลิ่นแห่งดอกไม้มีกลิ่นแห่งดอกปทุมเป็นต้นหรือปุสะทันตะกัดถังขาทติวาหรือว่าย่อมเคี้ยวซึ่งไม้สีฟันอันขาวปทวิงอามสติวาย่อมจับต้องซึ่งแผ่นดินหรือ อริตะสัตสังอามาสติวาหรือว่าย่อมจับต้องซึ่งข้าวกล้าอันเขียวสดอัลละโคมะยังอามาสติวาย่อมจับต้องซึ่งโคไมยอันสดหรือกัจชะปังอามาสติวาหรือว่าย่อมจับต้องซึ่งเต่าติละวาหังอามาสติวา ย่อมจับต้องซึ่งเกวียนอันเต็มด้วยงาหรือปุผังอามัสติวาหรือว่าย่อมจับต้องซึ่งดอกไม้พระลังอามัสติวาย่อมจับต้องซึ่งผลไม้หรือปุษมติกายะสัมมาลิมปติวาหรือว่าย่อมรูปไหล่ด้วยดินสอพองโดยถูกต้อง พุทธาทกังนิวาเสติวาย่อมนุ่งซึ่งผ้าสาดกอันขาวหรือปะสะเวทะนังทาเรติวาหรือว่าย่อมทรงไหวซึ่งผ้าโพกอันขาววาปะนะหรือว่ากันทังคายติวาย่อมดมซึ่งกลิ่นหรือระสังสายติวาหรือว่าย่อมลิ้มซึ่งรส โพธพังพุสติว่าหรือว่าย่อมถูกต้องซึ่งโพธภะเอวะรูปังอันมีอย่างนี้เป็นรูปยังกินจิยังได้อย่างหนึ่งอันยังปิแม้อื่นอภิมังคละสัมมตังอันนั้นบุคคลรู้พร้อมแล้วว่าเป็นมงคลยิ่งอีดังคันทรสะโพธพังอันว่ากลิ่นและรส และวหธาพานี้ฉะเนนะ่ะอันชนวัจติย่อมเรียกมุตตะมังคลังว่าเป็นอารมณ์อันบุคคลรู้แล้วเป็นมงคลอิติหนังนี้ตโยปุริสาอันว่าบุคคลทั้งหลายสามเตเหล่านั้นณอักขิงสุไม่ได้อาจแล้วอัญญะมันยังสัญญาเปตุง เพื่ออันยังกันและกันให้รู้พร้อมปะนะส่วนว่าตะท่านเยสุมนุษย์เสสุเอกเจมนุษาอันว่าในมนุษย์ทั้งหลายเหล่าอื่นจากบุตรสามคนนั้นหนามนุษย์ทั้งหลายบางพวกขั้นหิงสุถือเอาแล้วว่าฉนังซึ่งคําในสังปุริสารัง ของบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นเอกเจมนุษย์อันว่ามนุษย์ทั้งหลายบางพวกณคันหิงสุไม่ตือแล้วเยมนุษย์อันว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่าใดณคันหิงสุไม่ตือแล้วเตมนุษย์อันว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นวิวะทิงสุเถียงแล้ว เตหิคันหะเกหิมนุสเสหิสถิ่งกับด้วยมนุษย์ทั้งหลายผู้ถือเอาเหล่านั้นเยมนุษยษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่าใดคันหิงสุถือเอาแล้ววัจฉดังซึ่งคําทิฏฐะมังคัลิกะสสะของนายทิฏฐะมังคลิกะเตมนุษยษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้น ข้าตาถึงแล้วนิดถังซึ่งความตกลงใจว่าคนเลน็กในที่ถังรูปังเอวะอันว่ารูปอ น, นันตบุคคลเห็นแล้วนั่นเทียวมังขลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้เยมนุษษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่าใดขั้นหิงสุถือเอาแล้วว่าจะนังซึ่งคำ อิตาเรสังปุริสาหนังของบุคคลทั้งหลายเหล่านอกนี้เตมนุษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นคาตาถึงแล้วนิดถังซึ่งความลงใจว่าบุ เ, เล็กในสุตังสาธาชาตังเอวะอันว่าเสียงอันนันบุคคลฟังแล้วนั่นเทียวมังขลังเป็นมงคลโหติ ย่อมเป็นหมูตังอารามะนังเอวะอันว่าอารมณ์อั น, นั้นบุคคลรู้แล้วนั่นเทียวมังคลังเป็นมงคลโหติย่อมเป็นอิติดังนี้มังคลักถาอันว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวซึ่งมงคลอย่างนี้ปากตาปรากฏแล้วสักละชั่มพุทีเป ในชมพูพทวีปทั้งสิ้นเอวังด้วยประการเจนี้จบประโยค